วันนี้เป็นวันคนในชาติรอคอยมาเป็นปีกว่าเพิ่งวันนี้เป็นวันเปิดวันเปิดความรู้สึกของคนในชาติคือวันเมืม่อวานเป็นวันคัดเลือกย่อนบัตรผู้แทนรัษดรของชาติวันที่ยี่ยสิบสามนะวันที่ยี่สิบสามธันวาห้าศูนย์ เป็นวันย่อนบัตรเป็นวันชี้การปกครองแต่ตามไม่จริงจะจะให้ถูกใจทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้แต่นี้ก็ออกมาแล้วพักไหนที่จะได้เป็นเป็นผู้ตั้งรัฐบาลมากน้อยแต่ก็ททำความเสียอกเสียใจดีอกดีใจพร้อมกันก็ดีอกดีใจพร้อมกันก็เสียอกเสียใจ เสีย อ, อกเสียใจจะมากกว่าเพราะว่าคนสมัครตั้งมากแต่พี่น้องเพื่อนฝูงผู้ที่ร่วมสมัครนั่งก็มากเมื่อผู้ผิผดหวังมากญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ผ, ผู้ผิดหวังก็มากผู้ได้ก็ดีใจผู้ที่ได้เป็นก็ดีใจที่ได้รับเลือกตั้งแต่ตามให้จริงทั้งสองอย่างตั้งสองเงื่อน ดีใจและเสียใจดีใจและเสียใจเสียใจและดีใจคือโลกธรรมแปมันต้องมีอยู่ในโลกของพวกเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นมีลาบมียศสนเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกรวมแล้วกันเป็นแปดสรุป แบบพูดแบบเรียงลำดับก็คือว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาลสรรเสริญสุขทุกอันนี้คื อ, คอพูดเป็น ค, คู่แต่พูดให้แยกไปเลยก็สรรเสริญโลกธรรมแปดมีลาบมียศสรรเสริญสุขมีลาบมียศสรรเสริญสุขเสื่อมลาบ เสื่อมยศนินทาทุกเป็นสี่ทั้งสองเงื่อนเนี่ยเมื่อได้มาเนี่ยเมื่อมีลาบเมื่อมียศเมื่อมีเมื่อเขาสด็เสรินเมื่อมีสุขเมื่อเสื่อมลาบเมื่อเสื่อมยศเมื่อเขานินทาเมื่อมีทุกทั้งสองเงื่อนเราก็ควรควรจะเศกคาถานไว้ในใจของเรานะ จมคาถาเสกคาถาในใจของเราเอาไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสรุปแล้วก็คือมันมีเกิดแล้วก็มันมีขึ้นแล้วก็มีดับในที่สุดสรุปแล้วทั้งสองเงื่อนเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงถ้าเรารู้ได้ทั้งสองเงื่อนว่าเป็นของไม่เที่ยง นี่แหละเราจะทำใจได้มันเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันดีใจกับเมื่อเมื่อสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราดีใจเราก็รู้ว่ามันเออมันเป็นที่พอใจแต่อีกสักวันเถอะนะเออเราต้องคิดไว้นะอีกสักวันเถอะนะไอ้ความพ่ายแพ้มันต้องมีกับเราแน่นอนแต่เมื่อเราพ่ายแพ้ในครั้งนี้ แล้วก็ต้องจังใจไว้อีกอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นของเราก็ได้อันนี้คือทำใจไว้ทั้งสองเงื่อนสรุปแล้วในหลักของพุทธศาสนาอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในสิ่งในไม่พึงปรารถนาแต่มันก็ทายากนะจิตของผู้มีกิเลสเนี่ยทำยากแ น, นบางทีคนทุ่มเทลงไปอย่างสุดๆคิดว่าตัวเองจะได้ ที่พอมาผิดหวังเ น, นี่ยกัดไม่รู้จะเอาหน้าเอาตาไปไว้ที่ไหนบางคนก็ร้องหมร้องไห้ร้องไห้ครัง้งนอกก็ไม่ได้กลัวเขาจะเห็นน้ำตาก็เลยไปร้องหมร้องไห้อยู่ในห้องน้ำเออก็มากต่อมากเหมือนกัดทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาที่ผู้รักเคารพที่ทุ่มเทช่วยกันอันนี้ก็คือทางจิตใจเพราะนั้นทั้งสองอย่าง โลกธรรม8แปดเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนมาถึงพวกเราด้วยต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีอีกอย่างนี้อีกไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราให้ทำใจเอาไว้ถ้าเราเลือกผู้แทนเป็นที่พอใจของเราเราก็คาดคะแนเอาไว้ว่าโอ้ถามาบริหารประเทศจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าเนาะประเทศจะเป็นยังไงอันนั้นคือเรื่องอนาคตทาง่าพวกเรามีบุญวาสนาบรารมี ได้ทำดีแล้วร่วมกันมันก็ค่อยเป็นค่อยไปพอเป็นพอไปได้นะแต่ถ้าหากว่าพวกเราได้ร่วมกันทำความชั่วเลือกขึ้นมาแล้วก็น่นนะมาลง ม, มาตุ่มกินชาติบ้านเมืองพวกเราก็มาเกิดในยุคบ้านเมืองหายนะใครๆว่ามาเกิดกับพวกคนชั่วก็เป็นบาปกรรมของเราอีกเหมือนกันนะทำไมเราจะมาเกิดในยุคนี้สมัยนี้ ทำไมเราจะไม่ไปเกิดในยุคที่พระเจ้าจากักรพรรดิเฟื่องฟูยุคมีศินมีธรรมหรือไปเกิดในประเทศชาติของเขาที่เขาเจริญรุ่งเรืองไม่มีอุปสรรคอย่างนี้แสดงว่าเรามีบาปกล่อมในอดีตเราทํากล่อมม า, มาไม่ดีจะมาเกิดในภพนี้ชาตินี้มาเกิดในกลุ่มนี้มาเกิดในภพพวกนี้แสดงว่าเราทํากล่อมไ ม, ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทํากล่อมตัวเองทําบุญสร้างกุศลไว้ให้มาก แล้วก็จะไม่มาเกิดในยุคกรียุควรรณะแต่ถ้าว่าเราทำกลัมไม่ดีนะทำความชั่วถึงจะไปเกิดอยู่ในครั้งพระพุทธเจา้าเกิดในครั้งพุทธการครั้งพระพุทธเจา้าพระเจ้าอุบัติขก้นในโลกพอไปเกิดกับพระพุทธเจ้าแล้วยังไปเป็นปฏิปักษ์กับทำคำสั่งสอนปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมศีลธรรมอีกต่างหากอย่างพระเทวทัตเป็นตัวอย่าง ทั้งที่เกิดมาแล้วในยุคของพระพุทธเจา้าทั้งที่จะฟังพระธรรมคําคสั่งสอนของท่านกลับไปแข่งท่านอีกเหมือนนเถอะผลที่สุดก็ตกนรกอเวจีอีกเนี่ยอันนี้แสดงว่าการทํากล้ำของเราทํามาในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปตําหนิคนอื่นนะถ้าว่าตําหนิคนอื่นเขาแล้วไม่มีที่สิ้นสุดผลที่สุดก็เครียดเครียดเข้าผลที่สุดก็ถล่มกันด้วยวาจาต่อมาถล่มด้วยกําปั้น ต่อมาถล่มด้วยอาวุธอีกต่างหากว่านั้นแต่อันนี้แหละถ้าว่ามองตัวเองนะมองตัวเองเรามาเกิดในยุคนี้นะเพราะเหตุไรมันยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนี้พอเราทำกล้มไม่ไว้ไม่ดีจึงมาได้หัวหน้าอย่างนี้ผู้บริหารอย่างนี้ได้พอ่อได้แม่อย่างนี้ได้ครูบาอาจารย์อย่างนี้พวกเราคิดเอาไว้นะถ้าว่าพวกเรามีบุญวาสนาพวกเราก็คงจะได้ได้พอ่อได้แม่ ได้พี่ได้น้องได้ครูบาอาจารย์ได้ผู้ปกครองที่ดีเกิดในพบใดชุมชนใดพบแต่บัณฑิตนักปราชญ์มีแต่ผู้ที่จะเกื้อกูลหนุนกันมีแต่ชักนาในทางที่ดีที่ถูกต้องอันนั้นแปลว่าเราเกิดมาในยุคดีนะถ้าเราเกิดมาเราทำกลั่มไม่ไว้ไม่ดีเกิดมาพบใดชาติใดเกิดมาพบในชาตินี้กับพ่อแม่กินเหล้าเมายา เกิดมาก็คบหมูคบเพื่อนก็นขายยาบ่งยาบ้ายามาพาไปกินเหล้าเล่นการพานันอย่างนี้น่ยแสดงว่าเราทํากล้ำไว้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรารู้แล้วว่ากล้ำไม่ดีนาทุกมาให้เพราะฉะนั้นอย่าไปทํำพยายามทําแต่กล้ำดีเมื่อทำทำกล้ำดีแล้วกล้ำดีน่าจะพาพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญไปเกิดพบภูมิใดประเทศชาติบ้านเมืองใด จะมีแต่ความสงบร้มเย็นเป็นสุขออกไปจากตัวของเราทั้งนั้นนะแต่ถึงยังไงหาคนดีไม่ได้นะเกิดมาพบนี้ชาตินี้หรือพบใดชาติใดก็ตามอยู่ในกลุ่มใดก็ตามถ้าหาคนดีไม่ได้หาผู้ที่คบไม่ได้เราอย่าไปคบคนให้อยู่กับตัวเองให้อยู่ตามลำพังแต่อย่าไปทาความชั่วพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนั้นนะหาคนดีไม่ได้หาคบคนดีไม่ได้ไม่ต้องคบคาสมาคมกับใคร อยู่กับด้วยตนเองอยู่ด้วยทำแต่อย่าทำความชั่วแต่พอตัวเองคบใครไม่ได้ตัวเองก็เลยกลับทาความชั่วเสเองอันนั้นจึงแย่ใหญ่เหมืนนะอนเพราะว่าไปคบคนอื่นก็คบไม่ได้ตัวเองก็กลับมาอยู่ต้องลำพังก็อยู่ไม่ได้ก็ทำความชั่วขึ้นมาอีกอันนั้นแปลว่าไม่ดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้มาเจอมาพบประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็ให้ดูให้ทำใจนะอย่าไปเครียดจนเกินไปอย่าไปดีใจกระโดดโลดเต้นจนเกินไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะงั้นเราห้ามมันไม่ได้เป็นยุคเป็นกล่อมเป็นยุคเป็นสมัยเหมือนกับฟ้า่าน้าท่วมลมพัดเหล่านี้แหละ เราสุดวิสัยที่จะไปทามันแต่ก็มีการตกแต่งได้บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเหลือวิสัยที่เราจะต้องไปทาแต่บางทีน้ำท่วมเราก็เอออาจจะมีเขื่อนกั้นน้ำไม่ให้มันไหลามาจุดนี้กั้นเอาไว้อันนั้นก็มีส่วนที่รักษาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเราไม่ให้ฝนตกเเลยเนี่ย มันจุดวิสัยเราจะห้ามได้บางทีตกทั้งวันคือเอ้ยมันตกเกินไปแล้วนะหยุดนะัเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าฝนแง้งฝนฝนแ้งเราก็พอช่วยได้บ้างเพื่อจะให้มีน้ำทำฝนทงฝนเทียมละ่ะลักษณะอย่างนั้นคือเราจะไปทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนานั้นคงจะทำไม่ได้เราเกิดมาในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสรุปแล้วก็คือทาใจนะ ถ้าทำที่อื่นไม่ได้ให้ทำใจตัวเองทำใจตัวเองให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งทำสิ่งควรทำไม่ควรทำสิ่งควรพูดไม่ควรพูดสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจนะั่นะคิดสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดนะจากนั้นก็ปรับปรุงตัวของเราสรุปแล้วก็คือผู้ฆ่าเอ้ยเกิดมาในโลกนีมาต้องเป็นอย่างนี้หละ เกิดแก่เจ็บตายมีสุขมีทุกมีดีมีชั่วมีสิ่งที่พอใจไม่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจก็มีมากสิ่งที่พอใจก็มีมากสิ่งที่ทุกข์ก็มีมากสิ่งที่สุขก็มีมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระหันสาวกทางหลายท่านเห็นเหล่านี้แหละมันไม่มัดตรฐานไม่ไม่อยู่นิ่งมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลัมเวลาทำให้ใจของเราวั่นวายวยแกวง ทุกยากลำบากกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกระลหกฟุตบอลกลิ่งไปตรอดไว้ลำเวลาเพราะท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เองท่านจึงไม่อยากจะมาเกิดในโลกท่านจึงพิจารณาเข้าสู่จิตใจของพระ อ, องค์ถอนกิเลสราคะโทสะโมหะจากนั้นใจของพระ อ, องค์จึงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการเพราะท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เองนี่ยนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่พวกเราไม่เป็นอย่า ง, งานั้นแหละสที่นี่ เออพอได้พอได้เวลาพอได้เวลาพวกเราก็คิดว่าได้เวลาแต่มันเสียชีวิตของเราไปไปแล้วน่ะช่วงนั้นเพราะชีวิตของเรามันทุกวินาทีมันกินมากับเรามาตลอดแต่เราคิดว่าได้ได้เวลาแต่มันเสียชีวิตของเราไปแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้นะไม่ใช่มันได้ทีเดียวนะมันเสียนะ มันได้ปีหนึ่งอย่างนี้ปีห้จะผ่านไปแล้วนี่จะปีห้าหนึ่งเข้ามาชีวิตของเราเสียไปแล้วปีหนึ่งการเสียชีวิตไม่ใช่เสียแบบทางว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายการเสียชีวิตไม่ใช่ธรรมดาเป็นการเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสียเงินคำทรัพสมบัติเรายังสสแสวงหาคืนมาได้แต่เสียชีวิตของพวกเราเสียเวลาเวลาพวกเราไม่ใช่เสียธรรมดา พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะเป็นการเสียที่จริ่งใหญ่ที่สุดแต่พวกเราไม่ได้คิดจุดนี้ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันคิดแล้วกันนะอย่าให้ทําอะไรอย่าให้ซ้ําให้เสียเวล่ำเวลาสิ่งไหนที่ไม่เกิดชระไม่เกิดประโยชน์ที่จะทําให้พวกเราเนิ่นช้าทําให้เราพวกเราไม่รู้จักคุณงามความดีปล่อยปะละเลยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอนนั้นแปลว่าเสียเวลา เสียเวลาคือเสียเสียชีวิตของพวกเราไปชีวิตของพวกเราหรือเวลาของพวกเราในจุดนั้นเสียหายอย่างมากเอาคืนไม่ได้อีกต่างหากเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าลืมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าให้ประกอบคุณงามความดีรักษาศีลไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญไปเรื่อยเรื่อยือยอ ย, อย่าได้ประมาทเมื่อมีโอกาสขณะใ ด, ดเวลาใด ก็หันจิตขันใจเขาสู่หลักธรรมคำสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติภาวนาพูดโทพุดโทํทำใจให้หนึ่งทำใจให้สบายให้พยายามทบทวนดูตนเองอยู่เสมออย่าไปมองคนอื่นมากจนเกินไปอีกไม่นานหรอกไม่ถึงร้อยปีแล้วพวกเราก็จะต้องแบ่มือแบมือบายบายลาโลกาลาโลกไม่อยากจะลาเขาก็ให้ลาเางั้นะพอวีซ่ามาถึงแล้วเราจะต้องเดินทางกลับบ้านเก่าของเรา เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างกระดูกของตัวเองเลเอาอยังเอาไปด้วยไม่ได้เพราะนั้นเราอย่าไปคิดมากนะให้ปล่อยให้วางให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักทําใจให้ถือว่าเรามีกลมมาเกิดยุคใดสมัยใดถ้าว่าเราเกิดยุคดีสมัยดีเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลในเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าพบพระอ ร, ะพพระหันตสาบก อันนั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ถ้าาพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วมาเจอแต่ภาลชนมีแต่คนพานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกวัตะสงสารอันนั้นแปลว่ากรรมของเราไม่ดีนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสาหรับพวกเราอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาบําเพ็ญทานศีลในวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะวันนี้เป็นวันเดือนสองเพนนะวันนี้